พระธรรมเทศนาลำดับที่ห้าโดยหลวงพ่ออินทไวสันตุสโกวัดปานาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีมีเชื่อเรื่องว่าสงเคราะห์โลกสงเคราะห์ธรรมคือเมื่อปีที่แล้วโรงพยาบาลสูงอุดรต้องการเครื่องผ่าตัดหัวใจแล้วก็มีหมอจากจุลา เข้ามาประจำอยู่ที่อุดรแต่ไม่มีเครื่องมือทางโรงพยาบาลเขาก็เลยเข้ามาประสานติดต่อขอรับบริจาคเป็นไปได้ไหมหลวงพ่อก็ได้ชักชวนญาติโยมพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวอุดรเลยลงขันกันผลละมากแล้วน้อยแต่ก็ไม่พอแล้วเอาปัจจัยของวัดเพิ่มเข้าไปอีก ก็เลยซื้อเครื่องมือเมือ่อมอบเมื่อเดือนธันวาและเดือนไหนหลวงพ่อก็จําไม่ได้น่ะมอบไปแล้วมอบให้โรงพยาบาลให้เขาใช้ให้โรงพยาบาลใช้พอใช้แล้วไม่มีปัญหาก็าใช้ทดลองสองเดือนไม่มีปัญหาทางบริษัทเขาก็ยื่นหนังสือมาเพื่อเก็บ เงินของเขาที่เขาขายให้โรงพยาบาลอุดอรเนะมื่อวานหลวงพ่อก็ได้ออกไปจัดการในเรื่องนี้นะทั้งหมดมันห้าล้านเจ็ดแสนห้าหมืนเครื่องสีต่ตัวสี่ชิ้นสี่ตัวตัวหนึ่งผ่าตัดผ่าตัดหัวใจตัวนั้น 5, ล้านห้าเครื่องทาง เวลาผ่าหน้าอกแล้วถังอันในห้าแสนสี่แสนห้าแล้วก็เครื่องช่วยหายใจสองตัวหกแสนแล้วก็ปอดหัวใจเทียมสามล้านสามตัวนี้แพงตีวลยสาม้านสามปอดหัวใจเทียมเวลาผ่าเข้าไปแล้วมันหัวใจหยุดหยุดทำงานต้องได้ใช้เครื่องตัวนี้เข้าไปช่วย เพื่อจะให้เลือดวิ่งไปเลี้ยงสมองไปเลี้ยงร่างกายทุกส่วนอันนี้ตัวนี้แพงตัวนี้ปอดหัวใจเทียมนล้ตัวนี้สามล้านสามเขาเข้ามาประจำอยู่ที่อุดรแล้วให้หมอเขาใช้เกี่ยวกับพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่าใครๆเจ็บใครได้ป่วยก็ไม่ดีทั้งนั้นแนะอละถ้ามี หมอถ้ามีเครื่องมือดีก็จะได้ช่วยชีวิตของพี่น้องประชาชน แ, แต่ก่อนมันก็มีอยู่นู่นยูมีอยู่ที่ขอนแก่นแล้วนะโรงพยาบาลขอนแก่นโรงพยาบาลศูนย์หัวใจศริกิตแปลว่าหลายจังหวัดหลายจังหวัดไปรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นแต่บัดนี้กม็มาที่อู่มาที่อุดร ก็แบ่งเบาแบ่งเบาโรงพยาบาลศูนย์คอนแกนได้บ้างต่อไปก็คงจะช่วยกันเกี่ยวกับหัวใจหมอหัวใจมันหายากเหมือนกันนะกาจะได้มานี่ก็โอ้ไม่ใช่ธรรมดาเนี่ยหลวงพ่อลงออกไปออกไปจัดการเรื่องนี้แหละเมื่อวานเนี่ยวัดวาศาสนากับประชาชน ถ้าหากว่าไม่พูดไม่กล่าวให้ฟังกคณะศรัทธาญาติโยมลูกหลานเกิดหมายใหญ่ทีหลังว่าพ ร, ระพุทธศาสนาวัดวาศาสนาพระสงฆ์เนี่ยได้ช่วยเหลือชุมชนสังคมอะไรไปบ้างฮะแต่ก็อีกไม่นานนีกับลุงพ่อก็คงจะมอบรถแอมโมแลนให้โรงพยาบาลนายุงเหมือนกันนะกำลังสั่งซื้ออยู่ เพื่อจะให้รับลูกหลานเจ็บไข้ได้ป่วยวิ่งจากโรงพยาบาลจากนายูงครอบสงอุดรมันก็รถมันก็วิ่งอยู่มันไม่พอแล้วก็กรถก็เก่าลงไปเรื่อยๆต้องเอารถใหม่เข้ามาใช้เพื่อชีวิตของพี่น้องประชาชนใข้ๆเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยด่วนทั้งนั้นนะอันนี้ก็จําเป็นนุพ่อก็ได้ สั่งมันกำลังที่สั่งแอมบูลานรถตู้มีเครื่องช่วยหายใจด้วยอยู่ในนั้นมีเครื่องดูดสเลเดด้วยเวลาไปตามทางมีออกซิเจนด้วยในนั้นแต่เมื่อเดือนทันวาที่่านมาหลวงพ่อก็ได้มอบให้โรงพยาบาลหนองพอกคันหนึ่งล้านห้ารถกัน ซื้อถวายในนามมูลทิธิหลวงปู่ล่าคนะณะสิทธิอนุสิทธิของหลวงพ่อนะเป็นผู้ซื้อมาถวายหลวงพ่อเออเอาตั้งชื่อรถของหลวงปู่ล่าก็แล้วกันแต่รถคันนี้ก็จะตั้งชื่อว่าคณะสิทธิของวัดป่านาคําน้อยมอบให้โรงพยาบาลนายุงเนะี่ยทางโรงพยาบาลด้วยทั้งโรงเรียนด้วย โรงเรียนก็มอบให้บันกล้องข่าวที่แล้วเนี่ยนี่อันนี้ก็คือชุมชนสังคมมวลมนุษย์ถ้าว่าทุกคนพอมีอันจะกินพอเป็นไปได้ก็มองดูชุมชนสังคมของตัวเองอยู่จะช่วยเหลือกันอย่างไรเนี่ยเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกๆคนถ้าพวกเราได้ช่วยกันคิด ช่วยกันคิดช่วยกันมองกันในการอยู่ด้วยกันชุมชนนั้นก็จะร่มเย็นเป็นสุขในระดับหนึ่งไม่อัตคัดขาดแคลนจนเกินไปแต่ถ้าว่าต่างคนก็ต่างไม่ได้มองดูกันอันนั้นลาบากลงเรียนก็หาที่จะสอนก็ไม่ได้ลงพยาบาลก็ไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็ มีแต่บนให้หมอเพราะหมอไม่มีความสามารถจะสามารถได้ยังไงเพราะหมอไม่มีเครื่องมือถ้าหมอมีเครื่องมือเขาก่อนช่วยทำให้แก่พวกเราได้รับความไว้วางใจในระดับหนึ่งอันนี้ก็คือหลวงพ่อก็ได้คิ ด, คดช่วยเท่าที่จะทำได้พระ อ, องค์หลวงตามหาบัวท่านเป็น พ่อแม่ครูบาอาจารนยะ์ท่านพาเสียสละพาธรรมเราอยู่ได้พี่น้องประชาชนอยู่ได้พระพุทธาศาสนาอยู่ได้ชาติบ้านเมืองอยู่ได้พระพุทธาศาสนาอยู่ได้ถ้าชาติบ้านเมืองล่มสลายลงไปแล้วพระพุทธาศาสนาจะอยู่ได้อย่างไรมันต้องไปด้วยกันแต่ชาติบ้านเมืองจเจริญ ร, รุ่งเรืองแต่พระพุทธาศาสนา ไม่มีใครนับถือเรื่อมใสพราะพุทธศาสนาก็เป็นไปไม่ได้เหมือนกันแต่ถ้าว่าพูดไปทางโลกมีทางโลกจเจริญรุ่งเรืองชนชั้นปัญญาชนทั้งหลายเขาก็ต้องมองเรื่องศาสนาเวลาทำมาค้าขายไปแล้วจเจริญรุ่งเรืองไปแล้วอะไรเป็นสาระของชีวิตมันต้องมองอีกเลยท่อะไรคือสาระของชีวิต อะไรที่ว่าเกิดป ร, ประโยชน์สูงสุดในชีวิตของเราพอธรรมมาค้าขายร่ำรวยขึ้นมาเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีจากนั่นก็แก่เท่าชะลาจากนั่นก็จะทำยังไงไม่อยากตายก็ต้องตายถึงจะรวยขนาดนี้นก็ต้องตายตายแล้วจะไปที่ไหนก็ไม่มั่นใจในชีวิตของตนเองอีกด้วยเนี่ย เพราะนั้นมันต้องค้นคว้าต้องศึกษาทีนี<ม>ศึกษาวิธีทางเดินของชีวิตทางเดินของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างไรไต่เป็นท่านไป่ค้นคว้าอย่างไรพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านแนะนำสั่งสอนอย่างไรอันนี้แหละเราต้องศึกษาเลยท่านถ้าไม่ศึกษาเราจะรู้ได้อย่างไรทุกสิ่งทุกอย่างต้องศึกษาทั้งนั้นจึงจะรู้ เราพระพุทธเจ้าขนาดเป็นบรมครูศาสดาเป็นพระมหากษัตริย์ท่านยังไปค้นคว้าศึกษาทั้งหกปีจึงได้หลักวิชาที่จะไม่มาเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยมาแนะนำสั่งสอนพวกเราแต่พวกเราน่ปุับปับขึ้นมาจะรู้แบบง่ายๆเอาได้เหรอจะแด้ว่าเราเก่งกว่าพระพุทธเจ้าเก่งกว่าพระหัตสาวกเนี่ย อันนี้เราก็ต้องศึกษาวิชาทุกแขนงต้องศึกษายิ่งวิชาเรื่องพพุทธศาสนาเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากตัวนี้เพราะเป็นเรื่องทำไมจึงว่านละเอียดอ่อนมันเขียนเป็นตัวหนังสือขึ้นมาไม่ได้เขียนเป็นตัวหนังสือก็คือเปรียบเทียบเท่านั้นองมันเป็นเรื่องของนามธรรมนามธรรมคือแนวความคิดหลักของพุทธศาสนาีสอนเรื่องนามธรรมให้ความสําคัญเรื่องนามธรรมเรื่องของใจ แต่พวกโลกทางชาวโลกทั้งหลายแหลวิชาทางโลกทั้งหลายให้ถึงจะเป็นวิทยาศาสตร์แขนงไหนก็เถอะก็ให้ความสําคัญเรื่องรู ป, ปรธรรมคือมองเห็นสังเกตได้แต่ต้องได้จับต้องได้ถึงจะไม่แต่ต้องได้ก็สัมผัสได้อย่างระบบไฟไฟ้าเนี่ยกดตัวไหนกดตัวไหนแตะตัวไหนมันถึงออกมานั้นเรายังสัมผัสได้ เป็นรูปธปรรมแต่หลักของพุทธศาสนาในนามธรรมต้องนั่งต้องดูต้องติด ท, ทำจิตใจให้สงบจิตใจให้นิ่งก็ <c oughs> กับกาหนดกรรมฐานอะไรกาหนดเรื่องใจอย่างไรกาหนดให้มันอยู่อย่างไรในหลักของพุทธศาสนาท่านสอนไว้หมดถ้าเมื่อจิตใจเข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งแล้ว เราจะรู้ว่าเรื่องอะไรไมีอะไรเพราะสติของเราอยู่กับตัวเองใจอยู่กับตัวเองมองอะไรเห็นได้ชัดแต่ถ้าว่าพวกเราสติเลื่อนลางสติเลื่อนลอยสติไม่อยู่กับเนื้อกับตัวแล้วจะพิจารณานามธรรมาไม่มีทางที่จะเห็นได้คนที่มีมีสมาธิจับจิตไม่อยู่ไม่รู้จะจับตัวไหน มันไปที่ไหนแล้วยังมังงอมังงามอยูเออ่เพราะอะไรเพราะจิตชติของเราไม่เข้มแข็ง เ, เพราะนั้นหลักของพุทธศาสนาให้พวกเราได้ฟังแล้วก็ศึกษาไปได้ทั้งสองด้านด้วยทั้งการเป็นอยู่ทั้งทางโลกอย่าให้ขาดตกบกพร่องออทางด้านจิตใจของเราก็อย่าให้ขาดตกบกพร่องคือไปทั้งสองอย่างอาหารกายก็อย่าให้ขาดตกบกพร่องด้วยปัจจัยสี่ อาหารใจคือธรรมะกายจะให้ขาดตกปลกพ่องไปด้วยกันทั้งอาหารกายทั้งอาหารใจอาหารใจนเนี่ยคือธรรมะเข้าสู่จิตใจที่พระพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านสอนอย่างไรให้ปฏิบัติปฏิบัติตนอย่างไรอันนี้เรื่อวัดอาหารทางจิตใจถ้าเรามีแต่อาหารกายสมบูรณ์บริบูรณ์แต่อาหารใจของเราไม่มี ถึงวันนั้นมาเราจะว้าเหวอ้างว้างเงียบเงาเศร้าซึมเพราะเหตุอะไรไม่รู้จะไปทางไหนไม่รู้จะคิดอย่างไรหาเงินมาแล้วก็เท่านั้นจะหาความสุขไม่ได้เพราะในสิ่งเหล่านี้เราต้องศึกษาเรื่องพระพุทธศาสนาเอาธรรมะเข้าสู่จิตใจค้นคว้าศึกษาและปฏิบัติถ้าปฏิบัติแล้วมั่นใจ่นเชื่อมั่นเลยอย่างพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านเชื่อมั่ น, นตายแล้วเหร อ, อาตายก็ตายสิ ทุกคนก็ต้องตายเกิดมาแล้วเราจะอยู่ชั่วฟ้าได้จะอยู่คนเดียวได้หรอเขาตายหมดแล้วเราก็ตายเหมือนกันแต่เราก็ตายด้วยความมั่นใจตายแล้วเราจะไปที่ไหนไม่ได้สงสัยพอเราได้ศึกษาแล้วใจของเราเป็นมาตรฐานแล้วสแตนดาร์ดแล้วคงที่แล้วเรารู้แก่ใจว่าเราจะไปยังไงอันนี้คือผู้ท่านที่ได้ศึกษาแลวพันมั่นใจเป็นพระอรหันต์แล้ว มั่นใจในในในใจของท่านแล้วนะตัวไหนที่จะมาหลอกลวง เ, เปลี่ยนแปลงแก้ไขใจของท่านให้วันไว้ไกวแขวง่งท่านกําจัดออกหมดแล้วกิเลสราคะโทสะโมหะมีแต่ใจอันบริสุทธิ์เท่านั้นรู้แจ้งเห็นจริงนี่แหละให้พวกเราศึกษานะศึกษากระลงมือประพุทธปฏิบัติถึงจะไม่ถึงขั้นนั้นก็เถอะก็ให้เป็น เราเป็นฆราวาสญาติโยมก็ให้มีเครื่องอยู่ทางด้านจิตใจจะให้ว้าวเวอ้างว้างเงียบเงาเศร้าซึม อ, อย่างที่ว่าเมื่อเท่าแก่ชรามาแล้วหาที่เกาะที่พึ่งก็ไม่ได้หาที่ยึดเหนี่ยวทางด้านจิตใจก็ไม่มีเพราะเราไม่ได้ศึกษาไว้เราจะมา ม, ามาุงุมมงงามเมื่ออายุแกเขาแนะนําอะไรก็เอาทั้งหมดเลยเพราะเหตุไรเพราะรักใจไม่มีหลักใจไม่มีหลักยึด เขาแนะนำให้อะไรก็ทาหมดไหวต้นไม้ภูผาป่าไม้เนี่ยเขาแนะนำอะไรรับหมดเพราะอะไรเพราะใจไม่มีหลักเพรา ะ, ะนั้นพวกเราต้องหาหลั ก, กจิตใจศึกษาไว้แต่นั่นๆนิ่นตั้งแต่บัดนี้แหละแต่พวกเรามีหลั ก, กจิตหลักใจการเป็นอยู่ของเราปัจจัยสี่ของเราก็ไม่ขาดตกบกพร่องทำหน้าที่ดีมอง ทั้งสองด้านทั้งอาหารกายทั้งอาหารใจพวกเราก็จะอยู่ด้วยความมั่นใจนะรับพร อ, อนุโมทนาให้พร